เราเขาบอกว่าโดยที่สุดเคยได้ข่าวไหมเทวดาจะตายนี่เป็นยังไงเงื่อนี่ออกเลยนะเงื่อนี่ท่วมเลยนะเงื่อนี่ออกท่วมเลยแล้วก็ผ้าก็เศร้ามองผิวพันธุ์ก็เศร้ามองเดือดร้อนนะเทวดานี่ก็เดือดร้อนอย่างที่บอกว่าสระพรหมเทพประดุจใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะถูกปลดเนี่ยนะโอ้โหเงื่อท่วมจริงๆเลยนะคือคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยหมายก็ว่าจะถูกปลดโดยไม่แบบอะไรนะแบบแม่ หรไม่สง่งไปอยู่ชายแดนที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยงือท่วมเลยนะมันมีความสุขมาหนึ่งยิ้มแย้มแจม่มใสหัวรหรเราะท่าเรืองอะไรหรอกนะก็แกล้งยินจ้มจืดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงใจเนะี่ยแหมแป้วหมดเรียกว่าไร้สภาพหมดคุณภาพเลยเนี่ยนะมีแต่ความท้อแท้แล้วก็ผิดหวังแล้วก็สิ้นหวังแม้แต่เทวดาที่จุติทั้งหลายเนี่ยนะก่อนที่เทวดาจะจุติโดยมากเทวดาที่บุญน้อยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันพบต่ อ, ต อ, ตอไปขอต่อให้เราไปเกิดเป็นเทวดาอีก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 อนาคตผลอวิชชาจำแนกแยกแยะไม่ได้เลยวั้นใครที่บอกว่าอย่าไปต้องคิดอะไรมากพวกนี้ก็สอนให้เจริญอวิชชาเพราะปกติก็ไม่ฉลาดอยู่แล้วเนี่ยนะปกติก็ไม่รู้อยู่แล้วแล้วให้มาหยุดอยู่กับอวิชชาก็แปลว่าเจริญอวิชชาอาวิชชาไม่ใช่สมถะและ ว, วิปัสสนาเพราะถ้าให้หยุดอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีปัญญาที่จะรู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเชื่อมโยงแม้แต่ปัจจุบันก็ปัจจุบันผลและก็ปัจจุบันเหตุ ถ้าปัจจุบันผลมาอย่างไงปัจจุบันเหตุเป็นเหตุให้มีอะไรต่อไปแล้วยังมินิชัยให้เลือกเฟ้นเห็นวันนี้ทุกปีรณนะสันตาปาวิปริณามะและสังคตะนี้สมุทัยอะไรเป็นอายุหณนะนิธานะปริโพธะและสังโยคะและ้วตรงกันข้ามเพิกถอนวัตตะทั้งมวลเหล่านี้เป็นอ น, นัณสระณะอสังคตะอมะตะและปณีตะเนี่ยนะแล้วอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นล่ะอะไรเป็นนิยานิกะ เนี่ยนะอะไรเป็นทัศนะอะไรเป็นอธิปไตยะเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้พ้นจากทุกเหล่านั้นทั้งปวงแั้นถ้าไม่มีความรู้เนี่ยคือโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าความไม่รู้อีกแล้วแค่เราว่าไอ้เครื่องกลางกั้นที่มันใหญ่ที่สุดเลยก็คือความไม่รู้ทําเอกคื่ อ, อวิชาเนี่ยนะมันเป็นเครื่องกลางกั้นที่ใหญ่มากเป็นตัวที่ทําลายประโยชน์ทําลายอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นาศาสดาของเราไม่ใช่เพราะพระองค์ในฐานะผู้มี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 หรือบางคนบอกแม่ชอบแบบอะไรปกปิดบ้างจะดีใช่ไหมบางคนก็ชอบแบบอะไรนะที่เรียกว่าใช้คําว่างุบงิบไม่โปร่งใสเนี่ยนะซึ่งอาจจะเป็นอัธยาศัยส่วนตัวก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความกระใช้คําว่าแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายจำแนกทําให้เตืรนเนี่ยนะแล้วก็เพื่อให้ความไม่หลงเพื่อให้ถึงความไม่หลงไม่เบลอไม่เละไม่เลือนเนี่ยนะ อันนั้นเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาของเราซึ่งาศาสดาของเราเป็นเช่นนั้นคําสอนก็เป็นเช่นนั้นพันเราก็ต้องพยายามมาจําเนกแยกแยะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างไรที่จะเจริญงอกงามพันก่อนจะสิ้นชีวิตชาตินี้เนี่ยนะจะได้อริยทรัพย์อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างนั่งนับทรั์ตัวเองบ้างนิดอย่างวันวันหนึ่งนะตกมาตอนเย็นเนี่ยนะนั่งทรับนับนั่งทรับตัวเองม้างไหมเออวันนี้นะได้อริยทรัพย์อะไรมาบ้างนะเพราะพันต้องพยายามจดบันทึกบุญเหมือนกันนะ ไอ้คนที่บจดบันทึกเรื่องไม่เป็นเรื่องเรายังขยันบันทึกกันเลยใช่ไหมวันนี้ทําบุญมาเท่าไหร่เนี่ยนะตื่นเช้ามาสวดมนต์ระหว่างเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็เอามาวัดชั่วโมงดูว่าตลอดทั้งวันเนี่ยได้บุญกี่ชั่วโมงเนี่ยนะแต่บางคนเขาบอกว่าแหมมันน้อยก็เลยไม่กล้าจดเชื่อไหมคนที่ยากจนจริงๆถ้าจนมากๆเลยไม่กล้าจดบันทีรายรับรายจ่ายปกปิดตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะ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 ตรวจเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นผู้เสวยด้วยตัวของตัวเองฉันใดผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในวัฏฏะชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งสํารวจตรวจสอบให้ดีจะบอกโอ๊ยฉันไม่ไปหรอกฉันไม่ไม่ไมาฉันจะนิพพานนล้ไม่เอาแล้วบอกนิพพานอะไรเนี่ยนะขนาดว่าไปให้สบายยังไปไม่ได้เลยจะกล่าบไปยหยถึงเรียกว่าสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาสมบัติของนิพพานเนี่ยมันสูงสุดคนที่ออกจากวัฏฏะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุด เป็นคนที่มีบุญมากที่สุดบุคคลเหล่านี้เลือกสบายๆอยู่ในวัตฏะอย่างพระนนทนะถ้าสมมติถ้าพระนนทไม่ปรินิพานพระนนทจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติไม่ใช่เป็นคนที่แม้หมดทางไปเทียงตีทางตันแล้ววัฏฏะมันบีบจนหมดสภาพแต่ถ้าบีดอย่างนั้นมันโน่นไปเป็นพวกตัวเลือดตัวนอนตัวอะไรเล็กๆไปโน่นอ่ะถ้าถูกวัฏตะมันบีบแต่คนที่ปรินิพานนั้นอนะ่ะเป็นคนที่มีบุญ สั่งสมบุญมามากจริงๆมีบุญถึงขนาดว่าถ้าจะเลือกอยู่ในวัดตะก็เลือกอย่างสบายๆแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะท่านดูหมิ่นวัดตะไปเรียบร้อยแล้วเพราะวัดตาเป็นไปกับชาติชาราและมรณะเมื่อวัดตาเป็นไปกับชาติชาราและมรณะเนี่ยนะท่านรังเกียจชาติชาราและมรณะซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญของโศกปริเทวะทุกโทมาัตและอุปาญามันจะออกจากสังสารวัฏเหล่านั้นได้ อย่างไรเนี่ออกจากสังสารวัตรแล้วดีอย่างไรพันผู้ที่ออกจากสังสารวัตรได้สําเร็จนั้นจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ภูมสุขเต็มเปี่ยมด้วยอริยสัพย์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานก็ได้แต่พระองค์ไม่ได้เข้าปฐมฌานเพื่อเสวยวิบากคือเกิดเป็นพรมปาริสัตชาพรหมปโรหิต า, าหรือมหาพรหมาพระองค์ไม่ได้เข้าปฐุติยะฌานเพื่อจะให้เกิดเป็นพรหมปริตตาภาอั ป, ปมานาภาและอภัสราไม่ได้เข้าตัติยฌ า, านเพื่อ ปริตตสุภาอปปมาณสุภาและอปมและเวหผลาหรือสุภกินหาเวหผลาเป็นต้นไม่ได้เข้าอากาสานัญญาตนะเพื่อเกิดในอากาสานัญญาตนะพไม่ได้เข้าวิญญาอากินเพื่อไปเกิดในอรูปประพบเลยแต่พระองค์เข้าปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุทฌานเข้ารูปฌานและอรูปฌานเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรม เพื่อความสุขวานเนี่ยพระองค์ได้เสวยได้ใช้สอยสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ไม่มีฉันทะราคะในรูปประชานและอรูปปัจจานทั้งหลายเหล่านี้เลยซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่สงบละเอียดและประนีเพราะพระองค์มีอนิจจานุปัสนาที่เห็นความจริงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสังคตะธรรม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 กิริยาแล้วก็เจริญวิปัสนาด้วยมหากิริยานะมหากิริยาญาณสัมปยุตมันรองเจงเข้าได้ทั้งโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติอนะเข้าคุณธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะสมาบัติตั้งยี่สิบสี่แสนโกรธเนี่ยนะี่สิบสี่แสนโกรธมันก็เข้ามากเสวยมิมุติเวสเวยความสุขเหล่านั้นเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ในเนื้อหาที่กล่าวถึงว่า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 ตติยะฌานที่มีอยู่ทุกประเภทออกจากตติยะฌานเข้าจตุทะฌานทุกประเภทออกจากธุติยะฌานก็เข้าปฐมฌานทุกประเภทออกจากปฐมฌานขึ้นเข้าสู่ธุติยะฌานใหม่ออกจากธุติยะฌานทุกอย่างแล้วเข้าตัติยะฌานออกจากตติยะฌานทุกอย่างเข้าจตุทะฌานออกจากจตุทะฌานก็ปรินิพันธ์นนีคือหมายคำว่าออกจาก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 ทิ้งอะไรบ้างทิ้งผมทิ้งเล็บทิ้งฟันทิ้งหนังซึ่งแปรงทิ้งอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะล้างก็ค่อยทิ้งไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะต้องทิ้งในที่สุดก็ต้องทิ้งทั้งหมด